รู้ลนะ้ววันนี้เป็นวันที่เจ็ดของการลงธรรมยถตราที่พูดอย่างนี้เพราะว่าหลายคนก็ น, นับวันนะแต่ก็คงจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วใครที่เดินมาแรกก็จะรู้สึกว่าวันที่เจ็ดมันอูไกลรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างชื่มช้าแต่พอมาถึงวันนี้คือวันที่เจ็ดมองย้อนกลับไปวันที่หนึ่งความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเร็วมากกลุมนี้ก็ จะเป็นนสิ้นสุดของการเดินธรรมยถาหลายคนนะอาจจะคิดเลยไปถึงช่วงเวลาที่ได้กลับบ้านจะได้กลับไปนอนบนที่นอนแสงสบายได้กินอาหารที่โปรดหลาคอยวันเวลาที่จะเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่ต้องเข้าคิวหรือไปเที่ยว ตามที่ต่างๆซึ่งก็คงจะมีรสชาติมากขึ้นเพราะว่าเราได้เจอความยากลาบากมาแล้วอย่างที่ได้พูดไปเมื่อวานซึ่งว่าเนี่ยเรามักจะเห็นคุณค่าของสินต่างๆแต่เมื่อเราไม่มีสินนั้นพอมาอยู่ที่นี่นะมันขาดอะไรแปลอลไรอย่างหลายอย่างที่เราเคยมีเคยเสพเคยคุ้นเคยมันหายไปใน้ตอนที่ ยังได้มีได้เสร็จก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานั <c oughs> ่นก็ได้มีความสุขกันเท่าไหร่เขาเคยชินซะและ้วโดยธรรมยานตรเนี่ยมันได้เฮินห่างห่างไกลจากสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นหรือว่าเคยเสร็จ ต, ตอนนั้นแหละจึงรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากในสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่ามากแล้วเมื่อได้ลกลับไป กลับไปพบกลับไปประสบกับมันแความรู้สึกก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปคือมีความสุขกว่าเดิมอย่างแล้วก็ตามนะอย่าปล่อยใจให้ไปถึงตรงนั้นนะอย่าเพิ่งวางแผนว่ากลับถึงบ้านแล้วนะจะทำอะไรวันที่แก้ววันที่กาลจะไปหาความสุขมาชดเชย ที่ขาดไปในช่วงเจ็ดแปดตอนที่ผ่านมาอย่าเพิ่งไปวางแผนหรือไปตรดจ่ออยู่กับ <c oughs> อ่กำหนดการต่างๆที่รอเราอยู่แม้จะเป็นงานการก็ตามกลับมาอยู่นะกลับปัจจุบันนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าจะทำอะไรนะ จะไปเที่ยวที่ไหนนะเมื่อเสร็จธรรมญัตราหรือไม่ได้กลับบ้านแล้วแต่บางคนอาจจะใจไปจดจ่อไปรออยู่ที่หาสุวิลัลแล้วเพราะได้ยินขีดทรา์ว่าสวยงามเ อ, าอย่าเพิ่งไปงตรงนั้นนะให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยเฉพาะในเช้านี้เนี่ยนะเราก็จะมีการเดินเป็นวันสุดท้าย วันที่แล้วไม่มีเดินแล้วโดยว่าจะเดิ น, น, นเองหลังจากจบงานเราจะมีการแบ่งสายเดินนะผ่านป่าซึ่งทัศนียภาพก็จะแตกต่างกันไปลองที่เดินนะก็อย่าเพิ่งไปจดจออยู่ที่จุดหมายปลายทาง ม่นจะเป็นฟ้าเซวิไลหรือว่าตาปูทองบางคนอยากจะตัดจอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเด่นทีส่สาวพามันสวยงามอยากจะไ้ถึงไ ว, ไวัยวัยแ ต, ต่บางคนจะตัดงคนตัดจอกับมันนะเพียงแค่ว่ามันจะได้หายเหนื่อยจะได้ไม่ต้องเดินสักทีบางทีจุดหมาย สำราบางคนก็มีความหมายเป็นแค่นั้นคือไม่ต้องเดินไม่ต้องเงินแล้วก็ไม่ต้องทาอย่าไปคิดตรงนั้นนะระหว่างที่เราเดินใจก็เราใจของเราก็อยู่กับการเดินอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะจุดหมายอยู่ไกลนะให้ใจอยู่กับปัจจุบันอันนี้มันเป็นเคล็ดลับนะศิลปะของการเดินธรรมยาตราและเป็นศิลปะของการ ดำเนินชีวิตด้วยเป็นเรื่องเดียวกันจุดห <c oughs> มายหรือปลายทางอยู่ไกลแค่ไหน ใ, หใจอยู่กับปัจจุบันถ้ากาลังเดินอยู่ ใ, ใจก็อยู่กับการเดินสนใจกับทางที่กาลังเดินหรืออาจจะเปิดใจรับรู้นะทัศนียภาพหรือว่าประสบการณ์ที่ เราผ่านพบกสองข้างทางก็ได้ซึ่งวันนี้ก็เป็นเขตผลหนึ่งนะที่ให้เราเดินในวันนี้เพื่อเราจะได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวรอบข้างของเราตนะ่เพราะว่าเราจะเดินผ่านป่าก็อย่าอย่ามัวแต่สนใจแต่เท้าที่ก้าวไปข้างหน้านะลองอดู นะต้นไม้นะที่ชาวบ้านเขจะแนะนําว่ามันมีประโยชน์อย่างไรมีความสําคัญอย่างไรด้วยอันนี้เป็นการเรียนรู้แล้วก็า จ, ากจะเป็นกําไรของเราในระหว่างการเดินไม่ใช่แค่เดินให้เหนื่อยหรือว่าเดินจนเหนื่อยถึงที่หมายก็จริงแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยในทางตรงข้านะมและไปถึงที่หมายพเพราะว่าต้องกลับก่อนนะั่นแต่ว่า ได้เรียนรู้อะไรมากมายในระหว่างการเดินอันนี้สําคัญกว่าเป็นการเดินที่มีคุณค่ามากกว่าบาคนบางคนคิดว่าไปให้ถึงนั่นแหลนะคือสิ่งสองคัญแต่ที่จริงแล้วไอ้สิ่งสําคัญอาจจะสําคัญกว่าคือในตอนระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางเราเดินด้วยใจแบบไหนหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างไม่ว่า เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับอสิ่งต่างๆที่อยู่สองข้างทางไม่ว่าจะเป็นผู้คนวิถีชืช่อของเขาวัฒนธรรมของเขาหรือว่าป่านจะเป็นอต้นไม้หรือว่าสัตว์ราศัตรูที่อยู่ในป่าก็ตามอันนี้มันจะว่าไปเป็น เป็นจุดหมายของการเดินธรรมยตตราแล้วก็เป็นกําไรนะที่เราควรจะเก็บเกี่ยวไม่งั้นเนี่ยนะถ้าเราไปตจดจ่อแต่จุดหมายไปทางเนี่ยนะเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับตัวเองก็ดีเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่สองข้างทางก็ดีแถมยังเหนื่อยีิเพราะว่าใจที่จดจ่อยอยู่กับจุดหมายปลายทางเนียมันจะทุกข์ จะทุ่มากเพรใจมีนจะคิดถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงหลวงพ่อมเกลียนท่านท่านจะสอนบอกพวกเราเสมอว่านะถึงต่อเมื่อมันถึงนะอันนี้ท่านพูดกับนักปฏิบัติเพรานักปฏิบัติเนี่ยคี่แต่จะไปให้ถึงจุดหมายที่ว่าตัวไว้หมาเป็นความสงบความรู้สึกตัวหรือความพ้นทุกข์ท่บอกอย่าไปสนใจมันมากหรือว่าจะบอกกันไปว่าถึงต่อเมื่อมันถึงก็ได้ ถ้ามันยังไม่ถึงก็อย่าไปไปสนใจมันเมื่อถึงแล้วก็รู้เองหรือจะมองว่าเราถึงทุกขณะก็ได้เราถึงทุกเวลาก็ได้ถึงทุกวันก็ได้คาถาอันหนึ่งนะของพวกเราเวลาเดินธรรมยานตร์ในปีก่อนๆเนี่ยก็คือจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้าจุดหมายไม่ใช่อยู่ที่ข้างหน้าจุดหมายที่ปลายเท้าเราถ้าปลายเท้าเราขยับนั่นก็ ถ้าก็าเราได้ถึงจุดหมายแนละ้วถ้าปลายเท้าไม่ข ย, ายาับคือไม่ก้าวเดินนะจุดหมายมันก็ที่เราวางไว้ข้างหน้ามันก็ไม่มีประโยชน์กาเดียกันถ้าเราตระหนักว่าจุดหมายที่ปลายเท้าเราก็จะให้ความสมแข็งการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะแค่ดูมันถึงเองนะถึงทุกก้าวถึงทุกขนาดเนะช่นเดียวกับเวลาทํางานนะเวลาทาํางานเนี่ยนะ จะไปตรวจจอนะถึงจุดไม้หรือเป้านะไม่งั้นมันจะผุนคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนหรือนักศึกษาที่ทํารายงานแต่ว่านักธุรกิจที่นะมีเป้าที่ต้องไปให้ถึงบางคนกนะ็คิดแต่ว่านะจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้แล้วก็เลยเครียดเลยวิตกกังวล กลับไปบ้านก็ยังนอนไม่ได้กินก็กินไม่ได้เขาเป็นห่วงมันี้ตกกังวลถึงเป้าหรือว่าจุดหมายหรือว่าคิดว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จ <c oughs> สมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ย <c oughs> นะยังเอ่อยังกำลังก่อสร้างส่วนโมกอยู่เนี่ย ตอนนี้ท่านยังไม่ชรามากก็มีการสร้างอาคารอยู่หลายหลังนะที่ <c oughs> ควรรู้จักดีก็คือโรงพยสบาพทางวินดาแต่ก็มีอาคารอื่นๆด้วยนะซึ่งแต่ละหลังเนี่ยก็ใช้เวลานานเป็นปีท่านสร้างทีละนิดทีละหน่อยพรอาศัยกำลังของพระแล้วก็เนนญาติโยมบ้างแม่ชีบ้าง มีคราวหนึท่านสร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนาวารูปร่างคล้ายเรือเพื่ป็นที่เก็บน้ําฝนแล้วก็เป็นที่ที่ให้คนมาทำมัสยิดมลหรือสึก ห, หรือมาฟังธรรมในช่วงเวลาที่ฝนตกเพราะถ้ฝนตกในลานหินโคเนียก็จะเปรียบนะเพราะมัมีหลังคาก็ใช้เวลานานเป็นปีเหมือนกันมีองค์คนหนึ่งนะก็มาหาท่านดาวพ่านมาเยี่ยมสวดโมก อยู่เป็นระยะระยะวันนี้ก็ไปกราบถามท่านว่าเนี่ยเรือเมื่อไหร่จะเสร็จท่านตอบว่าเสร็จแล้วชายคนั้นก็ดีใจแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะว่าสองสามเดือนก่อนอาคารหลังนั้นก็เพิ่งสร้างเสร็จไปได้ครึ่งเดียวหรือว่าไม่ถึงครึ่งเวยซ้ําแปลกใจว่าสองสามเดือนผ่านไปจะเสร็จเร็วอย่างท่านเชืเ่อหรือ ไปดูอาคารหลังนั้นก็เพราะว่ามันก็ยังสร้างไปได้ไม่ถึงไหนก็แปลกใจก็เลยมาถามอรยาท่าอาจารย์ท่านอาจารย์ลเรื่อ ง, งสร้างไม่ถึงไหนเลยทําไมท่านอาจารย์บอกว่าเสร็จแล้วท่านตอว่าวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จมื่อยานี้ก็เสร็จเสร็จทุกวันอันนี้ท่านพูดจากความรู้สึกของท่าน หมายความว่าคนเราเนี่ยเวลาทำงานเสร็จเนี่ยนะจะรู้สึกโปรง่งจะรู้สึกเบาจะรู้สึกสบายมือยกขึ้นเขาจาะหกความสุขที่อาจารย์วุฒิเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเมื่อทำอะไรก็ตามนะรื่องที่ทำนะก็ทำเต็มที่นะพอพักนะท่านก็ยกสิ่งนั้นออกไปจากหัวออกไปจากใจเกิดความรู้สึกเบาสบายเมื่อคนที่ทาเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นนะ ศิลปาการทางางของท่านดาวพุทธท่านซึ่งก็เป็นทั้งการทำกิจแล้วก็ทำกิจไปพร้อมๆกันอย่างที่พูดไปเมื่อวานะท่านทาเวลาทาก็ทำเต็มที่นะแต่ว่าใจก็ปล่อยวางนะโดยเพราะเมื่อถึงเวลาพักนะก็วางสิ่งนั้นออกจากใจไม่ใช่แค่วางเครื่องไม้คเครื่องไ ม, เงไม้เครื่องมือลงเท่านั้นนะ แต่วางนะอาคาหรืองานที่ทํานั้นลงออกจากใจด้วยก็เลยเป็นความรู้สึกเหมือนกับคนที่ทําเสร็จแล้วนะ น, นี่ก็เป็นนะการวางใจนะของคนที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะกับผลสําเร็จนะที่มันเสร็จสิ้นเป็นรูปธรรมนะเราเนะี่ยไม่ว่าจะเดินก็ดีไม่ว่าจะทำํำในปกตินะเราต้องรู้จัก นะวางใจแบบนี้ด้วยในะเวลาทําก็ทําเต็มที่นะแต่ว่าใจไม่สีเรียดไม่เครียดทําเต็มที่แต่ไม่สนะีเรียดเนี่ยนี่ทําได้ถ้ารู้จักวางใจนยะ่ที่ว่ามานะเวลาเราเดินเนี่ยก็คอยเดินนะด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้นะในเวลาที่จริงเราก็ภาวนาทุกวันนะ่ะเราจะเดินด้วยความสงบอย่างมีสติ เพื่อสันติสุขในใจเราเดินไม่ใช่เพื่อเดินให้ถึงเท่านั้นแต่เดินเพื่อสันติสุขในใจเราและเพื่อเปิดใจรับรู้ทุกสุขของสาพชีวิตเปิดใจรับรู้ทุกสุขเราเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราได้ผ่านพบสองข้างทางด้วยแล้วก็ไม่จนจอ่อส่งติ๊กออกนอกจนลืมนะลืมกายลืมใจก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็รู้กายรู้ใจไปด้วยแล้วก็เราก็รับรู้สิ่งที่ ก็เห็นระหว่างทางไปด้วยข้อสำคัก็คือจะไปจุดจ่อกับจุดหมายปลายทางว่าไม่ว่ามันจะสวยสดงดงามแค่ไหนก็ตามหรือสูงสง่งเพียงใดก็ตาม <c oughs> แล้งคนเราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าไปจุดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นจุดหมายข้างหน้าแล้วเราก็พลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือประสบสิ่งดีๆสองข้างทา ง, างหรือที่เกิดขึ้นกับใจของเราอาจารย์ประมวลเพลงจันนั้นเคยเล่านะ อย่างที่ได้เล่าไปแล้วว่าเนะ่ท่านกเกษียณก่อนกําหนดนะแล้วก็ตัดสินใจเดินเท้านะจากเชียงใหม่นะมาที่สมุยบ้านเกิดมีช่วงหนึ่งนะท่านเดินท่านแวกไปที่ท่านผ่านอดอยอินทนนท์นลท่านก็เดินไปที่ดอยอินทนนท์โดยไม่ได้ติดโดยไม่ได้โดยไม่ได้พกเงินไปด้วยนะอันนี้เป็นปณิทัยของท่านคอน เราก็จะไม่ขอข้าวขอน้าไครตอนที่เดินนะก็เหนื่อยมากแนละ้วก็วันนั้นไม่ได้กินข้าวน้าก็มีน้อยนะใกล้จะถึงแล้วล้ามากเหนื่อยมากนะจนล้มเลยนะจ้รนะู้สึกเป็นลมด้วยซ้ำก็มีคนเนี่ยนะมาช่วยนะพาท่านเนี่ยไปถึงด อ, อยถนนขับรถไปส่งนะแล้วก็ ก็หาข้าหาน้าไม่ทันพอรู้สึกดีขึ้นมีเรื่องมีแรงแก็เดินลงตอนที่เดินลงเนี่ยนะท่านก็สังเกตว่าสองข้างทางสวยงามมากบิวตี้ทัชเบื้องร่างกงงดงามอุมทานขึ้นมาด้วยความอัศจรรย์ว่ามันสวยงามเหลือเกินแต่แล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าไอเส้นทางนี้เราก็เพิ่งเดินผ่านมานี่เอง ก็คือตอนเดินขาขึ้นทำไมไม่สังเกตเห็นเลยนะว่าสองข้างทางและทิวทัศน์ข้างล่ามันสวยงามถ้าถามว่าทำไมไม่เห็นเราคงจะตอบได้นะก็เพราะใจมันไปจดจ่อยที่จุดหมายแล้วก็คงจะพยายามเดินไปให้ถึงเดินไปให้ถึงนะก็เลยไม่ได้สังเกตนะทัศนียภาพหรื อ, อทิวทัศน์สองข้างทางซึ่งสวยงามและพอ พอตั้งพอเดินไปให้ถึงพยายมเดินไปให้ถึงเงี่ยนะร่างกายที่ลายอยู่แล้วก็ก็เลยไปไม่ไหวพวกเราที่เดินธรรมยานตาก็อาจจะมีประสบการณ์แบบนั้นนะก็คือใจที่ไปจดจ่อยที่จุดหมายปลายทางแล้วนะก็พยายามจําจําไว้ไว้ไปให้ถึงโนะดยเพราะเวลาที่เส้นทางเป็นไกลหรือว่าเป็นเส้นทางที่ลากเป็นเส้นทางลาดชันนะ อย่างสูงอ่ะออย่างเมื่อวานเนี่ยซึ่งเราเดินเดินขึ้นมาบนเขาบางคนก็อยากใช้ถึงไวๆนะก็รีบเดินรีบเดินก็จะรู้สึกเลยแล้วมันเหนื่อยมากเลยมันเหนื่อยมากแต่แล้วก็ต้องหยุดพักโดยที่สองข้างทางก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆเดินไปช้าๆนะจะถึงหรือไม่ก็ เป็นเรื่องข้างหน้าหรืออาจจะนึกแต่เพียงว่าจุดหมายที่ปลายเทา้าวันเดินอยังง่ายๆเลยอย่างสบายเดิ่องแรงก็ไม่ได้เ อ, อขดท้ายไปอย่างรวดเร็วมันก็เดินไปได้เรื่อยๆให้ลองได้ลองฝึกการเดินนะแบบนี้บ้างเดินด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันไม่ได้มัวแต่ ยึดมั่นถือมั่นกับเป้าหมายว่าจะต้องอไปให้ถึงบางคนก็มีแรงมากนะยคิดแต่เพียงว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนก็นจะพุ่งชนให้ได้นะแต่ว่าบางครั้ก็ชนไม่ไปไม่ถึงนะเพราะว่าล้า้าุก่อนเพราะว่าทําด้วยหน้าอาการหน้าดําข่าเคร่งนะเรากิดแต่จะโหมอย่างเดียวนะคนที่กิดแต่จะโหมอย่งนั้ พออยากจะให้มันถึงไวๆสําเร็จเร็วๆนีึยจํานวนมากไปไม่ถึง เ, เพราะว่าเดีอนสักกนมกับรถที่ขับเร็วๆนี่ยจะไปให้ถึงจุดหมายไวๆแต่ปรากฏว่ารถมันแหกโค้งชนเสาหรือว่าชนคนเพราะว่าขับเพื่อตัวความเร็ว180ร้อยแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือสองรอยกิโลเมตต่อชั่วโมงขับเร็วๆวหวังจะไปให้ถึงที่หมายไวๆก็กลายเป็นว่า กลับถึงช้าเดินเร็วนะกลับถึงช้าเดินช้าบางทีถึงเร็วกว่านะแล้วก็มีความสุขกว่าด้วยแล้วก็สามารถจะเก็บเกี่ยวกำไรสองข้างทางจนะจะเป็นภาพจริงทั้งที่สวยงามก็ได้นอกจากการวางใจอยู่กับปัจจุบันแล้วนะอันหนึ่งที่จะช่วยได้มากคือว่าพยายามยอมรับ หรือทำใจตึงมิดนะกับสิ่งต่างๆที่แม้ว่ามันอาจจะมารบกวนขัดขวางการเดินของเราการเดินมันก็ต้องมีอุปสรรคนะหรือการชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหามีสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามากระทบหรือผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ธร ร, รธรรมชาติคนเราทําไมชาติจตใจของเราเราก็จะเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมันขัดขวางจุดหมายเราเราก็จะไม่ชอบอเราก็จะพยายามสู้รบตกมือกับมันพยายามผลักไสมันแต่นั่นก็ยิ่งทำให้เป็นทุกข์การเดินของเราก็มีทั้งอากาศร้อนนะทางที่ยอกไกลถนนชีวิตบากหรือว่าบางครั้งก็สูงชันถ้าเราคิดจะไปสู้รบตกมือกับมันนะะเราจะทุกข์ ถ้าเรายังไปผักสายมันเราจะเหนื่อยได้ง่ายแต่ถ้าเรายอมรับมันหรือมองมันด้วยความรู้สึกที่ดีแล้เออเข้ามาฝึกเราเข้ามาสอนเราหรือโชคดีที่เข้ามาแท่นี้นะโชคดีที่ทางไม่ยาวไกลแบบนี้นะหรือว่าแต่เวลามันมีความเจ็บความปวดขึ้นก็ไม่ได้ผักสายมันเอายอมรับมันเป็นธรรมดา ไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ไปเหนื่อยล้าหรือเป็นทุกข์มากเกินไปอย่างที่เรายกตัวอย่างนะเสียงดังแล้วคนเนี่ยรู้สึกงุดหงดเนี่ยก็เพราะว่าใจเนี่ยมันรู้สึกเป็นลบกับเสียงใจไม่ชอบใจไปต่อรอต่อใจกับเสียงนั้น แต่ใจเราไม่ไปต่อราต่อเถียนเรเสียงนั้นนะรวเป็นมิกกับรนด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือใจที่สงก ม, มันมีเรื่องเล่าว่า น, น, น, นักบินเมื่อสักหกสิบปีก่อนนักบินอวกาศชาวรัเสเซียเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเขานะเดินทางโคจรรอบโรค เราคงทราบวรัสเซียเป็นประเทศแรกในโลกนะที่ส่งคนไปโคจรรอบโลกนะแล้วก็คนนี้ก็รอดชีวิตกลับมาได้นันเดียวกับคนที่เล่าว่าตอนที่อยู่นะในชั้นบรรยากาศเนี่ยอยู่เหนือโลกเนี่ยทัศนียภาพเนี่ยมันสวยงามมากเขาเมองออกมาทางหน้าต่างเห็นโลกที่สวยงามเงียบสงบด้วย เขารู้สึกเป็นสุขสงบในช่วงเวลานั้นมากตอนนั้นมันมไม่มีเสียงอะไรเลยมันก็ทั่งเสียงเครื่องยนต์ทุกอย่างเงียบสงบและดวงว่างามนะแต่จู่ๆนะเขได้ยิยนะเสียงเหล็กกระทบ ก, กันแฉมแหลงเนี่ยคล้ายๆแบบเนี่ยที่มันเร็วกว่าเขาก็พยายามหาว่าเสียงมาจากไหนแล้วพยายามที่จะแก้ให้เสียงมันหยุดติดแต่เสียงมันก็ไม่หายไป เขเริ่มรู้สึกหญึนหงิดและยิ่งนานนะพอเวลานา น, านผ่านนานผ่านไปก็ก็เริ่มนะเริ่ ม, มโมโหแล้วคิดต่อไปว่าเนี่ยถ้ามันดังแบบนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเขคงจะบ้านแน่เลยเพราะตรงนั้นเนี่ยมันก็มันก็แคบอยู่แล้วนะในแคปซูลอากาศเนี่ยจะหนีเป็จนจะหนีไปก็หนีไม่ได้ต้องทนอยู่กับเสียงนี้และต้องอยู่กับเสียงบ้าบ้า น, นี้ไปเรื่อยเนี่ย ฉันคงบ้าเลยแนะ่ในช่วงที่กำลัง ห, ดหุดหงิดงุ่นง่านมันก็มีความคิดนึ่งขุดขึ้นมาว่าในเมื่อฉันต้องอยู่กับเสียงนี้ไปตลอดเนี่ยทําไมฉันไม่ลองรักเสียงที่ดูแล้วเขาก็เริ่มนะหลับตาแล้วก็จินตนาการว่ไอ้เสียงเนี่ยเหลียงกระทบกันเนี่ยเป็นเสียงเพลงไม่นานเลยนะใจเขาก็สงบและสิ่งที่เขาได้ยู่เนี่ยเป็นเสียงเพลงเขาสงบ ไม่มีความสุกหนิดหมุหม่นงาน่ายพอเขาลืมตาขึ้นมาไอเสียงดนตรีทั่นก็ยังดังอยู่ที่จริงมันไม่ใช่เสียงดนตรีหรอกนะมันก็คือเสียงเหล็กกระทบกันนั่นแหละแต่ว่าความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาจินตนาการว่ามันเป็นเสียงเพลงพอเป็นเสียงเพลงเขาก็รักเสียงเพลง น, นั้นจิตใจเนี่ยนะไม่ผักใสนะ่เสียงเหล็กกระทบกันยังอยู่แนตะ่ใ จ, ใจเขาสงบใจเขาเป็นสุข จนกทั่งเขาเนี่ยกลับมาถึงพื้นโลกนะอันนี้มันเชื่อเลยนะว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะปัญหาใที่ความรู้สึกของเราต่อเสียงนั้นที่จริงไม่ใช่งอเสียงนะสิ่งอื่นก็เป็นกันที่ปกติเราไม่ชอบเนี่ยถ้าเราลองนะที่จะปรับใจเป็มิีรกับมันดูมันจะช่วยทําให้เราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยใจที่ไม่ถึงทุกมีสิ่งหนึ่งที่ คนทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ชอบมากเลยอันนั้นก็คือความเครียดบางคนสมัยนี้เครียดมากหรือเพราะความวิตกกังวลมีการวิจัยพบว่าเนี่ยความเครียดเป็นสาเหตุของคนถึงห้าสิบหรือเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็น์ที่ป่วยจนต้องไปหาหมอไอ้ที่ไม่ไปหาหมอนี่อีกเรื่องหนึ่งนะก็คงจะมีเยอะแต่ที่ไปหาหมอเนี่ย นะหมอวินิจฉายแล้วเนี่ยอ้โรคที่เป็นเนี่ยมันเกี่ยวข้งของกับความเครียดหนะ้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แลวคนนี้ก็ึงกลัวความเครียดมากก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อ ห, หายเครียดมีสิ่งบรรเทิงเริงรมนากมายีเสียงเพลงอะไรอะไรที่เวลาเครียดก็จะสูงามันได้ดีซึ่งมันก็ไม่ดีจริงนะเพราะมันจะทําให้เป็นโรคต่างๆหลายอย่างโรคความดันโรคหวัวใจสันกิดนอนไม่หลับแต่ว่ามันมี การวิจัยใหม่ๆที่พบว่าความเครียดเนี่ยมันจะมีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของเราหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรด้วยนะก็มีการทดลองนะเมื่อประมาณปีเกบสิบปีที่แล้วช่วงวิกฤตเศรษฐกษิจในอเมริกาเนี่ยนั่นคนเครียดันมากเลยเขาทดลองคนสี่ร้อยคนแบ่งเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ดูวีดีโอที่ตอบย้ํา ผล เ, เสียงความเครียดว่ามันบั่นทอนทุกขภาพอย่างไรบ้างกลุ่มหกลุ่มที่สองเนี่ยดูวิดีโอที่บอกว่าความเครียดยมันช่วยกระตุ้นช่วยเพิ่มสมรรถนะในตัวเราอย่างไรบ้างกลุ่มที่สามก็ไม่ต้องดูวิดีโออะไรแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนนะเขาติดตามผลก็พบ ว, ว่ากลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งได้ดูวิดีโอที่เขาบอกว่าความเครียดมันมีผลดีต่อการทํางานอย่างไรเนี่ยพบว่า มีสมาธิมากขึ้นจดจ่อมากขึ้นมีส ร, รุปในงานมากขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาสุขภาพมีความเปลี่ยนแปลงที่ในชั้นค่ะที่สองกลุ่มที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมอีกที่หนึ่งอ่ะเขาเป็นการทําวิจัยของมาทลัยแห่งหนึ่งนะนันศกนศึกษาที่เตรียมสอบนะเตรียมสอบปริญญาโทสอบเข้าปริญญาโทเนี่ยซึ่ง เป็นการสอบข้อที่ยากนะของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ก, ง, นะองกลุ่มแรกนะสอบกลุ่มแรกเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการบรรยายบอกว่าไอ้ความเครียดในระหว่างสอบเป็นเรื่องธรรมดาแถมยังจะดีเสียอีกนะทําให้ทําคะแนนได้ดีขึ้นสอบได้ดีขึ้นส่วนกลุ่มที่สองไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีการบรรยายอะไรงสิ้นนะแล้วเขให้ทดลองทดลองทําข้อสอบดูบอากฏว่ากลุ่มแรกเนี่ย ทำคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มที่สองทั้าที่ความเครียดพอๆกันเขารู้ว่าอย่างนั้นว่าเครียดเขาก็เอาน้ํำลายไปตรวจของสองกลุ่มเนี่ยเพราะว่ามันเครียดพอๆกันแต่ว่ากลุ่มแรกมันทำคะแนนได้ดีกว่าแล้วถึงเวลาสอบจริง น, นะไอ้กลุ่มแรกเนี่ยมันก็ทําคะแนนได้ดีกว่าจริงๆด้วยทั้งที่เครียดเหมือนกับกลุ่มที่สองนะแต่ว่าพอมีความรู้สึก ด, ดีนะกับความเครียดเนี่ยมันก็ทําให้ การทำงานดีขึ้นซึ่งก็คงเป็นผลมาจากจิตใจด้วยเพราะว่าพอเขาวักเครียดนะมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ทุกไปกับความเครียดนะก็ทำให้สามารถจ ะ, ะทำข้อสอบได้ดีขึ้นมันไม่ใช่กับการทำงานนะกับสุขภาพเนี่ยเขาก็เห็นได้ชัดแล้วนะเมื่อชั้ห้ปีที่แล้วเนี่ยเขาเล่าสารและวิจัยกลุ่มนึงเขาย้อนกลับไป ดูผลการสำรวจสุขภาพเมื่อ20ปีที่แล้วของคนประมาณ 30,000 คน น, นี่อเมริกานะแล้วเขาก็ตามนะไปดูว่า 30,000 คนเนี่ยมีใครบ้างที่ตายแล้วแล้วก็พบ ว, ว่าคนที่บอกว่าตัวเองมีความเครียดสูงหนึ่งนะสองมีความเชื่อว่าความเครียดเนี่ยมีผลร้ายต่อสุขภาพคนกลุ่มที่จะตายเร็วนะ กว่าคนทั่วไปเนี่ย 40% ตายก่อนอายุแต่ว่าคนที่บอกว่ามีความเครียดเหมือนกันมีความเครียดสูงแต่ไม่รู้สึกว่าความเครียดเนี่ยเป็นผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยการตายการตายก่อนวัยอันควรหรือการตายเร็วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มากขึ้นเลยแถมยังต่ำกว่าคนที่บอกว่ามีความเครียดน้อยด้วยอันนี้เขาก็ เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าคนนึงเครียดมากนั่นแต่ว่าตายเร็วอคนหนึงเครียดมากเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ตายเร็วความแตกต่างที่ไหนความตายตางที่ทัศนคติต่อความเครียดว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นเป็นผล เ, เสียต่อสุขภาพหรือไม่พวกนั้นกลัวหรือเปล่าถ้าเครียดแล้วกลัวเครียดนี่แย่เลยนะแต่ถ้าเครียดแล้วเฉยเฉยธรรมดาคนเราต้องเครียดบ้างเป็นธรรมดา ก็กลับมีสุขภาพที่ไม่ได้เลวร้วายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่มันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องที่ชีอ้อีกอย่างนึงนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรมีงานวิจัยที้หนึงที่แปลกนะคนที่คนที่เขามีการสอบถามตอนที่อายุสี่สิบปีนะว่าเขารู้สึกอย่างไรความแก่ คนที่รู้สึกลบกับความแก่เชื่อต่อว่าคนแก่เนี่ยเป็นคนเงเนื้องหลงลืงง่า ย, งงายเป็นภาระกับผู้อื่นเนี่ยพออายุยี่สบพออายุหกสิบห้าปีหรือพอผ่านไปยี่สิบห้าปีเนี่ยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าแล้ก็เพราะว่าก้อนสมองเนื้อสมองเนี่ยมันเล็กมันพดพดแคบเร็วกว่าคนที่เขาไม่รู้สึกลบต่อความแก่ดนะังน้นพวกเราเนี่ยที่ยังหนุ่มสาวนี่นะทําไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์นะ อย่าไปกลัวความแก่เนะีต้องกลัวความแก่นี่พอแก่จริงนี่นะเอาแสมเมือกกินนะไม่ใช่ขายแสมโรคหัวใจด้วยอันนี้เขาอีการวิจัยมานานแล้วนะว่าคนที่อายุ40เนี่ยที่รู้สึกโรคความแก่เนี่ยพอผ่านไป40ปีมีโอกาสโรคหัวใจได้มากกว่าฉันแก่เนี่ยนะถ้าเราไม่กลัวมันนะโอกาสที่จะมีสุขภาพที่อายุยืนนี่ แต่นัอย่ า, ยาไปกลัวความแก่เป็นนิสัยความแกะนะ่เ้วก็ปฏิบัติต่อคนแก่ดีทดีตั้งแต่วันนี้นะ เ, เพื่อเฟื่อเขานะี่ยนะก็จะเรียกัวมเป็นผู้เป็นใบกลางคนก็ตามเนอะคนที่ยังไม่ยอมรับตัวเองแกะนะ่แล้วยังบอกว่าตัวเป็นใบกลางคนนี้ระวังนะั้งทีอยุหกสิบแล้วเนี่ยจะเอาใส่เมื่อกี้มาอีกสิบปีหน้ายี่สิบปีนะความเครียดเราก็ไม่กลัวรู้เป็นธรรมดาความแก่เราก็ไม่กลัวเรายอมรับมันเราเป็นนิสักับมัน ความจากลำบากความจือความปวดเราก็ไม่กลัวเราเป็นนิกับมันเราจะมีความสุขง่ายๆแล้วเราจะเรียนรู้หลายอย่างจากสิ่งนั้นแม้กระทั่งความตายนะแม้ะทัางความตายแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ40กว่าอันนี้กลางคนจริงๆเป็นมะเร็งแล้วก็เธอเป็นคริสเธอก็พยายามสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าขอให้ช่วยให้เธอหาย จับโรคมะเร็งเธอไม่ได้เสพเพื่อตัวเองแต่เวพเพื่อลูกโดยเฉพาะไม่อยากให้ลูกเนี่ยมาเห็นแม่ต้องมาทุกข์ทรมานหรือว่าเป็นกังพลาตั้งแต่เล็กแต่สวดมนต์ยางไรอาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอถึงระยะท้ายเนี่ยนะมันก็มีความเจ็บปวดปวดมากนะมะเร็งเอ่อมอร์ฟีนนี่เ อ, อาไม่อยู่นะเธอก็สึกท้อแท้ผิดหวังแล้วก็อาจจะ เกิดความไม่พอใจนะทําไมพระเจ้าเนี่ยไม่ช่วยเธอถ้าเป็นชาวพุทธก็ประเภทว่าเนี่ยบุษราทําบุญมาทั้งชีวิตรักษาศีลมาตลอดสวดมนต์ก็เยอะนะทะทาสัางฆทานก็มากทําไมยังต้องติดเงินเร่งทําไมบุญไม่รักษาทำไมไม่คุ้มครองนะปวดแล้วเกินปวดแล้วเกินนะ ท, ทําไมทําดีจึงไม่ได้ดีเธนะอผี่หญคนนี้ก็คงคิดคล้ายๆแบบนี้นะยิ่งก็ทําให้เถอกระสับกระส่ายมาก แล้วอยู่วันหนึ่งนะเธอสงบเลยเธอสงบหยุดโวยไม่โวยวายไม่กระซับกระสายเพื่อนๆแปลกใจถามว่าทําไมอะไรทําให้เธอนะสงบลงได้เธอบอกว่าตอนนี้เธอยอมรับความตายได้แล้วเธอพร้อมตายแล้วเธอบอกว่าเนี่ยที่ยอมรับความตายได้กระพาะเห็นว่าความตายเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ ยุติความเจ็บปวดของเธอได้มันเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้ความเจ็บปวดของเธอหายไปแล้วก็ลูกจะได้ไม่ต้องมาเห็นเธอทุกทรมารที่สำกัญคือมันเป็นโอกาสที่เธอจะได้สอนลูกถึงวิธีการตายว่าคนเราควรจะตายอย่างไรมันคือมันคือหน้าที่ที่แม่ควรจะทํากับลูกก็คือสอนให้ลูกรู้วิธีตายพอเธอเห็นว่าความตายมีประโยชน์มีคุณค่านะ เธอหนิ่งเลยนะไม่ทุกข์ไม่ทุรนทุรายต่อไปและถึงวันที่เธอตายเธอก็ตายสงบนะในการที่เถอเว่าความตายเี่ยเป็นโอกาสที่จะทําให้เธอได้สอนลูกถึงวิธีตายเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพ่อแม่เนี่ยก็ก็มีหน้าที่สอนลูกว่าควรจะอยู่อย่างไรแต่ที่จริงในการสอนลูกว่าควรจะตายอย่างไรก็สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ควรเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะสามารถ จะทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าใครนะก็คือทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าว่าจะตายอย่างไรควรตายอย่างไรตายอยงสงบฉนันเธอก็เลยต้อนรับความตายเห็นความตายเป็นอางนีนะ้แต่ก่อนเห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่อัปภาคฉันออกไปจากลูกแต่ตอนนี้ความตายคือโอกาสที่ฉันจะได้ให้บทเรียนที่ดีหลบรู้ว่าควรเราควรจะตายอย่างไรให้รู้วิธีการตายที่ถูกต้อง อันนี้คือบทเรียนสําคัญที่บทเรียนสุดท้ายที่น่าจะทําให้กรบลูกเธอก็ะไรสงบอ้นนี้ก็แปลว่าเธอเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความตายแนละ้วเห็นความตายมีปรปโน์ดังนั้นจึงอยากจะย้ำอีกครั้งว่าคนเราเนี่นะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สําคัญตั้งกับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรถ้าเรารู้สึกลบ ก, กับมันนะเราก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นแล้วมันก็จะดึงเอาอะไรต่ออะไรมาหาเรามากขึ้นเช่นคนที่ รู้สึกไม่เดี่ยวความแก่มันก็จะดึงเอาโรคต่างๆเข้ามาเร็วขึ้นมากขึ้นรู้สึกไม่เดี่ยวความเครียดมันก็จะดึงเอาอะไรปัญหาต่างๆเข้ามานี่แหละที่คือความหมายที่แจริของคาว่าลบดึงดูดลบคนเดียที่ไม่เข้าใจว่าลบดึงดูดลบหมายความว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องปัญหาอย่าไปคิดถึงเรื่องความจุดความป่วยอย่ถึงเรื่องความพลาดพลาสูญเสียเดี๋ยวมันจะเจอขึ้นเดี๋ยวมันจะเกิด ข, ขึ้นจริงๆ อันนั้นไม่ใช่ความหมายคำว่าลบดึงถูลกลบคำว่าลบดึงถูลกลบคือว่าถ้าเรารู้สึกลบกับสิ่งใดไอ้สิ่งนั้นจะสร้างปัญหากับเราแล้วมันจะพาปัญหาต่างๆตามมาให้กับหลามากมายรู้สึกลบต่อความแก่ก็จะเจออัลไซเมอร์ในวันข้างหน้านะเจอโรคหวัวใจความจำเสื่นในวันข้างหน้าถ้าไม่รู้สึกลบกับมันรู้สึกดีกับมนันะโอกาสที่จะเกิดขึ้มันน้อยลงมาเข้าใจความหมายว่าลบดึงถูกลบบวกดึงถกบวกในความหมายนี่ดีกว่า ไม่ใช่ว่าโอ้ยคิดถึงเรื่องความผู้เจ้าสอนว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องวัดพระ้าวแต่ไปคิดเรื่องนี้มากนะคิดมากเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะแก่เร็วนะคิดเรื่องความตายปบ่อนๆที่จะตายเร็วคิดเรื่องความวัดพระมากหรือว่าวัดพระเร็วมันไม่ใช่มีที่ว่าเราคิดและรู้สึกรู้สึกกับมันอย่างไรเท่าไรกาเป็นธรรมดานะมันก็สร้างปัญหาน้อยแต่ถ้าเเห็นถ้ารานึกแล้วเรากลัวอันเนี่ย จเจเ็บเ่เหมือนกับที่บอกว่าคนที่กลัวเจ็บเนี่ยพอโดนเข็มฉีดจาตีมเนี่ยจเจ็เจ็บกว่าคนที่ไม่ไม่กลัวเนี่ยเป็นสามเท่าอันนี้แหละที่เรียกว่าลบดึงดึงลบอละ่ะพอสมควรเดียวเวลาเราพร้อมกัน